ตอนอบรมคอร์สนาวามินระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2559ตอนที่3ปีผมทำในนาทีเหมาะ ก, กับเวลาทำงา น, น, นอิสรามก็วันหนึ่งระบาดหนักดึงตัวเองออกจากอารมที่หมกมุ่นร่างกายเนยอยู่กับโพซิชั่นที่ว่าถถ้านั่ง น, น, นานเนี่ยมันเป็นออฟฟิศสิโดมเราก่อนทำงานปุ๊บเป็นนาทีท้งานเบส ชั่วโมงุ๊ขอหนึ่งนาทีนะเบี่ยงเบียนเวลาของที่ทำงานบ้างหนึ่งนาทีนะแล้วเลือกงานทุ๊บก่อนจะไปกินข้าวหนึ่งนาทีกินข้าวเสร็จอะไรเรียบร้อยเสร็จก็จะปฏิบัติก่อนจะทำงานหนึ่งนาทีทำงานสองชั่วโมงเบี่ยงเบียนเวลาของทำงานหนึ่งนาทีวันหนึงเบี่ยนเบียนแค่2นาทีแต่คุณภาพงานจะดีขึ้นตอนนี้มีองค์กรบริษัทเอาไปใช้แล้วนะ สมัยก่อนเนี่ยเขาได้ ISO ดีเด็ ISO, นเะพราะกูไปเยี่ยมเพราะรูว่าที่นี่ ISO ซึ่งไรบินยางทุกคนเป็นหุ่นยนต์หมดนะสังเกตเราไปเข้าไปร้านสะดวกซื้อกิ๊งกองสวัสดีข่าเจนี่ตอนรับไม่ได้มองหน้าเล ย, เ น, ยนะเขาถูกบงังคับให้พูดคนพูดก็เพียนคนฟังก็เพียนนะนั่นคือโมลิง่งมันไม่ได้ออกมาจากไหนมันรุย์เป็นแค่ทรัพยากร เป็นแค่เครื่องมือในการสร้างทุนเท่านั้นเนเหมือนคนไม่มีจิตวิญญาณใช่ไหมถ้าเราวันหนึ่งเนี่ยเราเช็คนะสักเช็คแงนแดนเนี่ยสักช่วงหนึ่งนาทีต่อสองชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งนา ท, นาทีชีวิตเราจะดีขึ้นส่วนเยวบ้านก็มีเวลามากเราก็ทำงานหน่อยนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่นอกจากบริษัทนี้ทามาสี่ห้าปีแล้ว ตอนนี้เย็นพนักงานไม่ทะเลาะกันนะไม่ทะเลาะกันอันนี้มีประโยชน์สมหรัชีวิตเรามากสุนัขเวลาเมื่อนอนนานเนี่ยมันดูขึ้นมางานแรกมันทําอะไรมันยืดเสร็มันแช่ติมันปลดคลายความตึงเครียดของร่างกายนี่คือทำมาเห็นไหมเพราะสุนัขสุนัขมันไม่มีมารยาทมันมันไม่มีบุคลิกภาพมันไม่ไดแขร์ให้มองมันมันทําตลอดเวลาบางทีมันเห่ามันถอน เห็นไหมมันก่อคลายอารมณ์เครียดมันถึงไม่เป็นมะเล็งเวาไม่ได้เสียอุคลิกภาพเสียศักดิ์ศรีนะกดมันอย่ตงนั้นเลยนะการเป็นขยะชีวิตอนะันี้เนี่ยถ้าเราทำต่อเนื่องทุกวันทุกวันเนี่ยชีวิตเราจะปลอดโปร่งตลอดเวลานะสมองปลอดโปรงนะ่งเหมือนมันเฟซตลอดออก ฟ, ฟิศซินโดเอยความตึเงเครียดโรคซึมเศร้าอะไรๆหายหมด ที่โรงเรียนพ่อครูสองแม่เด็กกับครูในชเช้าเย็นนะเด็กมันนอกตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องหนึ่งซึ่งเท่าสองก้กาวราวพ่อพ่อแม่หนุ่มสาววิ่งตามเงินหมดคนแก่เลี้ยงฐานชีวิตพอเราใช้โปรแกรมนี้เนี่ยเขาดีขึ้นเขาเบิกบานมนะุษย์เราต้องใช้ต้องใช้บ่อยๆนะทีนี้พวกกว่อครูก็ดูวันตอนที่เราไม่มีเวลาไม่มีเวลา เลยบอกให้เขาเซ็ตอัพโปรแกรมหนึ่งนาทีอยู่ในข้อติดเนี่ยติดแล้วก็ทำเช็ครินยิ่งดี๋ยวมัน <c oughs> ติดนานๆแล้วยิ่งทำไปสั่เบิกบานอ <c oughs> ย่ายมันเสียเวลาเปล่ากนะันนั่งเครียดนั่งคิดอะไรเนะช็คริงเช็คอัพโยมายคือปลุกจิตให้หล้สึกแดนเซอร์ไซส์แล้วออกกำลังกายอันนี้ก็ออกกำลังกายโดยการเต้นรำ ไม่ใช่ออกกำลังกายทุกวันนี้กีฬาไม่ใช่ยาวิเศษอีกแล้วมันเป็นยาพิษเพราะมันเป็นเกมแพ้ชนะคนโบราณเขาเล่นกีฬาเป็นยาวิเศษเรานั่งอยที่นี้เล่นเด็กกันได้ไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนนะไปช่วยเงินไปจ็อกกิ้งไปเดินนะไปวิ่งส่วนใครวิ่งเร็ววิ่งช้าทุกคนเอาความคนดีของตัวเองแล้วสุดท้ายผลคือเราแข็งแรงไม่ต้องไปเครียดกลัวจะแพ้ใช่ไหมแต่กีฬาตอนนี้มันเป็นเกมกีฬา มันไม่ใช่ยาวิเศษอีกต่อไปเป็นยาผิดเป็นการพนันเครียดหมดชีวิตเราทางนานแบบชั่วโมงสิบชั่วโมงเ่อเครียดพัว อ, อะไรเข้าเนี่ยเออเราไปเล่นกีฬาให้มันผ่อนคลายหน่อยเนียเกิดมีเรื่องแพ้ชนะนนมาอยู่นะเพิ่มความเครียดนะโอเคเบอร์เบอร์เบอร์ไปไปซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวให้กำไรชีวิตทีนี้ คนโบราณเขาท่องเที่ยวเนี่ยคือท่องไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีเงื่อนไขเวลาอันนี้ตื่นกี่โมงไปกี่โมงนั่งรถไปเจ็ดชั่วโมงไปดูปุ๊บสิบนาทีเขาบอกเที่ยวแล้วเราไม่มีเวลาพักผ่อนเลยให้มันไม่ให้มันเรี่ยงรู้ไปชีวิตเราเหนื่ยละเลยเราเข้าใจชีวิตผิดล้วเข้าใจความสุขนะเราไปแสวงหาความสุขในที่อื่นต้องได้เก่งบว่าคนอื่นอันนี้แค่ช็ค เช็คจิ้งนั่งอยู่ที่ทา้งสายอะไรเช็คเช็คช็ช่วงนัน้นเราปลดปล่อยสมองเนี่ยวางความเครียดแล้วก็ให้เลือนล ม, มืนวิ่งนะสติสมาธิก็ตขึ้นเห็นไหมแค่หนึ่งนาทีนะรีโมกัรหนึ่งนาทีส่วนเรื่องแรกเนี่ยชิงสปีดมันแปลกมากอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษน ะ, นะช่วงก่อนสองคารามโลกครั้งที่สองอะไรเนี่ยเจ้าฟ้าชายจอร์จ เป็นประวัติศาตร์จริงเป็นโรคติดตามใช่ไหมติดตางตัวเองเก็เครียดแล้วแหมทำ ง, งานไม่ได้ผลเนี่ยอารมณ์ก้าวเร่ยิ่งตำแหน่งห น, หน้าที่เป็นหมอขวนมาทำไม่ได้ยิ่งทุกไปเจอหมอหลายคน ไ, ไปเจอหมอคนพิเลนใชไ ม, ชไมเขาได้ยินว่าหมอนี่รักษาแบบแปลกเหมือนพวกเรากำลังฝึจริงแบบ 8. แปลกๆเสียงนี้มีอิทธิพลต่อมัน ไม่ได้พอฟังเสียงแรงเนี่ยมันจะกระตุนอุปทานมันจะให้เราเรีย้โลกติด่างโลกติดอางไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกยายภาพเป็นเรื่องอุปทานอังมาภาส27ปีพกุมาอเมริกาใหม่ๆม่27ปีก่อนุบรมที่อำเภอเมืองจังหวัดขอมีกลุ่มคนหนึ่งที่เป็นพอดีตตำรวจเคยเกิดอุบิเหตุมาเนี่ยเป็นอังมาภาส27ปีในปากเปี้ยวข้างขวาเนี่ ย, ยไม่มีความรู้สึก กูก็ไม the ่ค่อยได้ช็อตขิวปีกมาเพราะกูไปสอนอยู่ที่วัดเพอตั้งเมงเมงเมงเมนเข้าประดนจิตปุ๊เนยมือซ้ายก็จะมือขวานอนลงไปเอาขาไป็งเต็งเต็เตเตเเตสามวันลุกขึ้นมาเดิถ้ามาพลาดมาผูกเด็กไม่ไม่ถึงขั้นว่าเส้นตดนเห็นฝอยขาเนี่ยะฟื้นได้ร0 0ไปส เราเซตโดยหยีดยดฝ่าเท้าปึ๊บเด็กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเหยียดืนแต่ระบบสมองขับการมันควคุมไม่ได้เด็กนุ่งคนหนึ่งเป็นลูกหมอด้วยเรียนจบจุฬานเนั่นแหละเป็นโรคหอบคืดในแต่เด็กพ่อก็เป็นหมอเด็กชีดพันยามาหลายปีนจนอายุ22ปีนันจบปุ๊บรับประรยุรยาละ่ะพ่อแม่ก็เอาไปจริงไว้กวบคุม เจ็ดวันเขาา ก, ก็บาหาวันที่เจ็ดเขามาลับเในศาลาจะอยู่ในเนี่ยในเวียงเนี่ยเกิดอาการหอนช่ยด้วยช่วยด้ ว, ว, ด ว, ว, ดวงงเงินพ่อเข้ามาก็าไปหายาไปฉีดพนในกรรมฐานพ่อคูก็นั่งคุยกับกลุ่มญาติทั้งที่ที่ลงมาหาเด็กมงไปบอกว่าเออพ่อแขอยู่ไหมอยู่ บอกให้เขาตายเลยตายเลยพอคิดได้ว่าเดี๋ยวไอ้ผู้ชายวันนี้จะไม่ตายเดี๋ยวพ่อแม่เขาตายก่อนพกูก็เดินไปในสาระเมื่อกินเจวันเขาสรัทธาของกูมากกูอเกตายเลยลูกตายเลยวิเดียนี้มันสัญชาติญาณมันกลัวไงพอได้ยินเสียงของกูมันตายนิ่งลงไปเลยเขาก็นอนนิ่งแม่เขาเดินมาสั่งเลย แม่เขาเป็นพยาบาลเป็นโรคกระเพานะะก็กินยาเลยนะั่นนะหลายปีไม่เคยหายแม่เขามาปฏิบัติแล้วมันจะหายขาดไง น, นะพ่อนี่ก็เป็นหมอเดี๋ ว, ว่าข้างหลังเนี่ปวดตลอดเวลาเวลานั่งปุ๊บเนีจิตมันจัดกระดูกหมอบอกว่ามันจัดโครงกระดูกมนแก่อะไรกันไมเขาศ ร, รัทธาพุ่งกับลูกหมดทีไว้แต่พูดตกใจว่าลูกจะตายนั้นยลืมหมดเลยนะแม่เขาบอกคุยกเพราะผมกูฟังว่า ตกใจหน้าชีวหมดเลยกลัวลูกจะเป็นอะไรเล่าให้ปู่ฟังเมื่อกี้นี่เขาเดินไปเดินมาพวกปูเป็นใครรู้จักไม่นานนี่เอาชีวิตลงเสีย่ยงเป็นเสีย่ยงตายหาคนรับชิดพ่อก็เอ า, เอ า, เอายาอย่างไปพ่นหมอรักษาแค่นั้นไงไม่ไปกดเกื่นอนความระคายทร น, นั้นเองแล้วก็เป็นอีกแต่พอน้องเกมเดิลุกขึ้นมาปุ๊บเด็กแกก็เดินมากับกู แม่บอกเกมเป็นยังไงสบายสบายครับจะนั่งอย่างไไม่นั่งสิจากวันนั้นถึงวันนี้น่าจะเกือบสิบแปดสิบเก้าปีแล้วอาการตัวนี้ไม่เคยมีอีกเลยแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บเกิดมาจากกาหนิดไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคที่เกี่ยวกับผลของกํามีหมัดหมาปวดหัวทายแย่เป็นอัมพาตไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคที่เกิบผลจา ก, กยาประโยชน์กรรมเก่าฝ่ายเดียวกรรมเก่ากับกรรมปัจจุบันคือผล บุญเก่าต้งบวกคุณปัจจุบันคืออยู่ที่ว่าเราเลือกชีวิตเราได้นะชีวิตทีเวลาเนี้เราจะสร้างกรรมใหม่เพิ่มสร้างบาปเพิ่มเพืางบุญอยู่ที่เราแล้ ว, ล ว, ลวตอนนี้สมมติเราเลือกชีวิตว่าเราต้องเอาเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งแล้วก็เลือกเราไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอุตสาหากรรมอุตสาหากรรมอันนี้กรรมใหม่นะ <S <S <S <S แล้วก็ต้องพูดบนทางว่า ต, ะตะลอดเวลาอะไรๆเนี้ยแล้วก็เข้มขึ้นกับการแข่งขัน อันนี้การปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เสพมวลภาวะเข้าไปเยอะๆมันก็มันก็สะมมันก็เกิดผลตาคือเป็นโรคไปนะสตีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชะกันห้าคนขับรถมานะแก้ปัญหาให้อีกวันหนึ่งเวลาเดียวกันสตีท่านหนึ่งขับรถไปในที่เดียวกันแนตะ่คนละวันเนี่ยยางระเบิดไปเจอชายชะกันห้าคนอีกคนละกุ๊บกนะันไม่ใช่หนอนะ มันฆ่ากลุ่มคืน อ, อุบัติเหตุทั้งสองอย่างมีถามว่าทำไมคนนี้รอดทำไมคนนี้ตายเราจะบอกว่าบังเอิญคนที่มาช่วยบังเอิญคนนี้มาฆ่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเกิดขึ้นเลยเลยกูไม่เคยเชื่อเลยกู ทำไมอยู่อเมริกาลูกน้องไปวัดมาเขาพูดยังเวียนวาไายตายเกิดปักบอกไปไกลๆ ไ, ไปไกลๆเดี๋ยวโดนเตะ น, นั่งหลับหูหลับตามันจะเกิดปัญญาได้ยังไงชี้เก่งก็ยังไม่ว่าต้องหลงว่าเรารู้เราเก่งเพราะมันระเบิดปุ๊บเขาปูดจได้เลยไปว่าใส่บังเที่ยวไปขอขอมาเขาทั้งหมดหลายสิ่งหลายอย่างเราก็รู้ยังไม่ได้ทำะนะ ถามทุกคนว่าเลขสูงสุดเท่าไหร่ทุกคนตอบเลขสิบสองเท่าั้นเลจากเลขหกถึงเลขสิบสองกี่นาทีสามสิบนาทีจากเลขหถึงเลขหกกี่นาทีหกสิบนาทีอคะแนนมากกว่าสูงสุดคือสิบสามวั น, นตอนนี้วิชาการเราเรียนรู้เรื่องเดียวเราเก่งเรื่องวิชาการเรารู้เรื่องวิชาการแต่เราไม่รู้รอบเรื่องดกดแหกรรม ก็เราไมาเรียนเรื่องนางมาทําเราแตะรูปธรรมนี่คือความคิดยุควิทยาศาสตร์ทำให้โรคไปดีไม่เหลือเลยนะแล้วก็เมื่อกี้เรื่องทิงสปีดนะเป็นโรคภูติกานหลายๆโรคมันไม่เกี่ยวกับกายภาพจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องอุปทานอุปทานถ้าเป็นกายภาพมันไม่ได้กินยาอะไรเลยไม่ได้รักษาเลยทําไมมันหายได้เนี่ยเสียงเมื่อเสียงดังๆเ่ยนะ เสียงดังๆนลเมื่อเมื่อจิตใจเราไปจอยอยู่กับเสียงเราจะลืมอุปทานว่าเราเนี่ยพูดติดปาเวลาเขาอ่านได้เลย ก, กู27ปี ก, กูเห่นแต่ว่าที่ศูนย์พลานคอยเราเนี่ยไม่ได้ชูธงรักษาโรคเมืองไทยเนี่ยทำความดีกระชั่งไม่ต้องเจ็ดมึงกระชั่งเดี๋ยวถูกของแถ ม, มันตั้งข้อหาเลยมีประกอบโรคศีลหรือเปล่าเมียหรือเปล่าที่นวดเราแค่ปฏิบัติ ธรรมะย่อมรักษาผู้ปัพติศักไม่มีแม้แต่หึงอย่างเลกับนี่แหละแล้วพกูแปลกมากวันนั้นพวกกูนั่งเห็นแก้วแก้แก้วพวกกูก็จดจ ด, จ ด, จ, ด, จ, ดจดนะไลท์ตรงนี้ให้พวกกูหน่อยนึ่งไปคิงสปีดไปเปิดดูนะฮะจริงๆแล้วเรื่องมันยาวมากส อ, สองชัง่วโมงกว่าพวกกูบอกให้แ ก, ก้วตัดตัดตัดแต่ให้ดูว่าสาระมันเขามีเชคทิงและเขามีติ้งพวกเราเคยริงมาแล้วมารูสมัยรุกนติง เวลาคลิกนี่ยมันทำลายตัวตนที่สุดและหมอคนนี้มันแปลกมากมันกล้าพูดอะไรเนี่ยนะมันทำลายอัปต า, ายังมีอัปตายู่เนี่ยเนี่ยจิตมันไม่เปิดไอ้ น, นี่เกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยเขาทำมาแล้วเนี่ยแลว้วไอ้สิ่งที่ทพ่อคูใช้แอปโปรแกรมนี้มันเป็นตรงกับตรงนั้นไม่ใช่เขาตรงกับเรานะเราอาจจะไปตรงกับเขาต้องทำลายอัปตาก่อนทำลายอุปทานก่อนเห็นไหมต้องมีเช็คกิ้ นะเขามีจริงมีแหกปากร้องคือว่าปกติเราติดรูปแบบสมว่ายิ่งเป็นเจ้าฟ้าชายแล้วเนี่ยบุคลิ ก, กภาพเราทำอย่างนั้นไม่ได้แต่นี่เขาพาทำงหมด เ, เพื่อทำลายละลายอุปทานของตัวเองสุดท้ายท่านก็พูดได้นะละหายโรคเกี่ยวกับอุปทานแต่ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิเสธเรื่องอุปทานรักาษาตามอาการ คนสุดท้ายก็สารตกคายนะก็โอเคก็ตอนนี้เตรียมตัวเข้าห้องน้วากึ่งชั่วนมงลทีไม่ให้นานเดี๋ยวไาปฏิบัติกันชั่วโมงต่อไปเป็นาน า, นานจิตตั้ง